เรานั่งสมาธิกันครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรานั่งถึงสามทุ่มครึ่งสามครึ่งอย่าให้การปรุงแต่งเข้ามาย้อมจิตฝนจะตกฟ้าจะแลบให้จิตตั้งมั่นไว้สักแต่เห็นสักแต่ได้ยินไม่ต้องไปปรุงมัน ฝึกที่จะตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ดูซิว่าถ้าจิตไม่ออกไปรับอารมณ์รู้ลมมาไว้เรื่อยๆเนี่ยสภาพมันจะเป็นยังไงถ้ามันปรุงไม่ได้อยากจะรู้นักว่ามันจะแค่สักแต่ได้ยินไหมถ้าสามารถ i m a จิ้นสภาพนี้ได้แล้วนิพานจะไปไหนล่ะภหิยะ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 เมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้เธอไหนเพราะมัวแต่นั่งคิดปรุงแต่งจึงมีเธอถ้าปรุงไม่ได้เธอจะอยู่ที่ไหนถ้าเริ่มต้นสภาพก็ไปถูกแล้วนี่คือตอนปลายไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏ ในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกขละอยู่กับวิหารธรรมหยุดการปรุงแต่งก่อนในเมื่อคิดกับปรุงแต่งมาด้วยกันหยุดคิดปรุงแต่งก็ปรุงต่อไม่ได้เหมือนกัน ในเมื่อมีฉมวกแต่มันยิงไม่โดนก็ใช้แหเลยเวียงมันั้งคู่แหละจับได้แน่แล้ววันหน้าค่อยใช้ฉมวกตำรวจจะจับยาบ้าก็หยุดรถทุกคันเหมือนกันก็โดนทั้งรถที่มียาบ้าแล้วก็ไม่มียาบ้าโดนมันหมด อย่าปรุงอย่าปรุงอย่าค้ำครวนหยุดการปรุงแต่งไม่เปิดช่องให้โมหะละการปรุงแต่งเสร็จกลับมาอยู่กับลมไว้เดี๋ยวพอมันแวบไปปรุงละอีก ขับมาอยู่กับลมเบื่ออึดอัดอดทนเผากิเลสเข้าไปแต่ทำไมเราอึดอัดก็เพราะมีเราไงมันเลยอึดอัดที่กำลังเผาอยู่นะเผาเราไปด้วยเราที่เป็นความเห็นผิด เพราะถ้าเป็นคนที่เขาไม่มีเราเขาจะนั่งไม่มีแรงเสียดทานมันจะไปยากอะไรนั่งตรงนี้กับ น, นั่งตรงไหนถ้าเรามีแรงเสียดทานแสดงว่าโมหะเราเต็มไปหมดเผาอยู่น่ะดีแล้วคนที่ไม่มีโมหะไม่มีนั่งง่วงเหงาเหานอนไม่มี แสดงว่าที่เรานั่งง่วงเหงาหานอนเรากำลังโดนอวิชชาเข้าครอบหมดโมหะครอบหมดถึงเวลาพักก็พักกายต้องการพักเดี๋ยวก็ไปพักนี่เพิ่งสามทุ่มอยู่บ้านก็ไม่ได้นอนอยู่แล้ว ถามตัวเองว่าตอนนี้ถ้าเปิดทีวีดูทําไมไม่ง่วงแสดงว่าง่วงไม่จริงถ้าง่วงจริงไม่ว่าเปิดทีวีหรือปิดทีวีต้องเท่ากันประกาศกล้องกับปากตัวเองนะครับหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีระจะเผือดแห้งไปก็ตามทีอย่าเสียสัจจะนะจะพ้นทุกข์ไม่มีหยอแย่ตายเป็นตายอย่างเดียวคอสเข้มมันเข้มที่เอาชนะกิเลสไม่ได้เข้มที่เดินมากเดินไกล ไฟเสมอด้วยราคาไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกทั้งหลายเสมอด้วยขันไม่มีสุขอื่นนอกจากความสงบนิพพานก็ไม่มีความหิวเป็นเครื่องเสียบแทงอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งเมื่อรู้ความข้อนั้นตามที่เป็นจริงแล้วดับเสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความสันโดษ เป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งที่สุขทั้งหลายอริยะสาวกนี้เรากล่าวว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมกว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทําให้กระจัดกระจายย่อมไม่ทําให้เป็นกองย่อมทําให้มอด ย่อมไม่ทําให้เป็นโพรงอริยสาวกนั้นย่อม ism, ยุบย่อมไม่ก่อซึ่งอะไรย่อมยุบย่อมไม่ก่อซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณอริยสาวกนั้นย่อมคว่างทิ้งย่อมไม่ถือเอาซึ่งอะไรเธอย่อมคว่างทิ้งย่อมไม่ถือเอาซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณ อริยสาวกนั้นย่อมทําให้กระจัดกระจายย่อมไม่ทําให้เป็นกองซึ่งอะไรเธอย่อมทําให้กระจัดกระจายย่อมไม่ทําให้เป็นกองซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณอริยสาวกนั้นย่อมทําให้มอดย่อมไม่ทําให้ลุกโผล่ซึ่งอะไรเธอย่อมทําให้มอดย่อมไม่ทําให้ลุกโผล่ซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญา ซึ่งสงคาญซึ่งวิญญาณภิกษุท่านนั่งแล้วปวดขาขณะนี้วิญญาณเข้าไปอยู่ในเวทนามันกำลังลุกโผล่มันกำลังเผากลับมาอยู่กับลมภิกษุย่อมคว้างทิ้ง อย่าให้มันเป็นกองทำให้หมอดอย่าให้มันลุกโคลงทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดและเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้น อย่าให้มันก่อสังขารกำลังจะปรุงสลายมันทิ้ง